อยากจะถามถึงการปฏิบัติอ่าของญาติโยงเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วนี่อย่างการทำกรรมฐานนี้ทําอย่างนี้ประกันมีความแน่ในใจแล้วหรือยังเพราะว่าอาจารย์ที่สอนสมรมฐานนี้ทุกวันนี้มากมีทั้งพระสูงด้วยมีทั้งคลวาวาส หลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานอย่างนั้นว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทเนี่จึงไถามอย่างนั้นถ้าเรื่องของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้ เป็นมั่นคงอ่ะการทำจิตให้สงบเรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำารมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่สับกรอบมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมละ่ะบางวันนั่งพับเรียบก็อสงบแล้วนะนะบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สมบมันดิ้นออกมาอยู่จะได้ บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี้นี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้จะให้เข้าใจว่ามัจแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญา เช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทํามรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อืไกลนีนะ่วิธีการนั่งทะแนนดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าอท่านจะให้ดูจิตของเราเองมองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนะี่ยมันจะกลับเข้ามาทางใน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 เดีวก่อนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจรึงจะรู้ว่าสติตมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมรกนี่มันสมคีกันเมื่ อ, อไรเราจะได้มองเห็นหว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเ็เป็นอย่างนี้ จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมัคคะสามคีในที่อันเดียวกัน mm hmm. เมื่อเราทําสมาธิ mm hmm. กํำนดจิตตรงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวร mm hmm. อบๆข้างานั้นไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทาําความรู้สึกอย่างนี้ เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรูลมบอกอย่างเดียวเท่านั้นนะมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกใหม่หคนนี้นั่งอยู่ตรงโ น, น้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนะี่ยมันไม่เข้ามาเราอย่างมันบ อ, อกเทียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าทําสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไป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 ปล่อยสภาพมันให้มันพอดีแต่ก็นั่งดูลมหายใจนี่เขาเมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างหนึ่งข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่ามันไม่รับแล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจแล้วถ้าจิตของเราวุ่นวายสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามา ก็ต้องสืดลมคอยมากที่สุดจนกว่าไม่มีทีเก็บแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสักสามครั้งเนี่ยจตั้งหรือความรู้ใหม่ดูรมอีกต่อไปเราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งแล้วก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีก มันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายติดมาเมื่อมันเปลียนเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็อกําหนดจิตใจแล้วให้ตั้งมัน่นแล้วก็สื่อลมเข้าให้มากที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สื่อลมเข้ามาให้มากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั้นต่อไปนี่เราก็กลับมาตั้งสติ กลับลงหายใจออกเข้าทาความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นาในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชานาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอ า, อารมณ์ข้างนอกมันจะส่งเข้ามาไม่ถึงเมื่อส่งเข้ามาไม่ถึงเราก็เห็นจิตของเราจิตเนี่ยคือความรู้สึก หนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งเรื่อาอารมณ์ น, นี่อยู่ที่ปลายจมูกเรานี่เตะติเนตั้งมัน่นดูลมเข้าออกสบายต่อไปอีกลมนี่ถ้าจิตสงบแนตะ่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยเข้ามามันน้อยเข้าไปน้อยเข้าไปทุกทีน ะ, ะมันน้อยเข้าไปอารมณ์มันละเอียด อารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเรากเบายิบเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อ น, นั้นไปไอความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วไอความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมเกิดเมื่อรวมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัด และมันจะมีสติชัดแด้จะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี่เรียกว่ามัคคะสามาัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิ เมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีส ต, ติอยู่เสมอเดี๋ยเห็นลมชัดเห็นลมชัดเห็นส ต, ติมันมีส ต, ติชัดขึ้นมาแลยมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอก ข้างนอกใครๆมันหมดไม่มีใครไปทํางานเระอยู่ข้างในบ้านนะ่ะรวมเป็นข้อเสบายที่ความรู้สึกนั้ น, นวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่ประมหายใจนานไปดูลมหายใจก็าไปอีกจนกว่าที่มันละเอียดจะไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ย หมดไปจากลมหายใจก็ได้มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆอยเงี้ยลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันมันมีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี้หรือความรู้อันเดียวพิงลมมันหายไปแล้ว นะไอ้ความรู้ที่ว่ารมมันหายไปก็ตั้งอยู่จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่ารมไม่มีรมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่หลอว่าความรู้อันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีกในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดมิตรขึ้นมาก็ได้ เสียงก็มีขนะรูปก็มีได้มันมีทุกอย่างไอสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะมันเกิดขึ้นมาไห้ตรงนี้นี่เมื่อหากว่านีมิตรเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีที่นี้ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่ารมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมทามันมันลงไม่มีอยู่เมื่อเราไปปราโบโธเทมาลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่ารมไม่มี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 ที่มีความแตกต่างแตลพัตยอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็อร่างกายในบางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีไม่มีร่างกายแค่ค่ายนั่งอยู่อากาศอย่างนีนเ้เบาบทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่กลางอากาศอย่างนี้เพิ่งเนี้ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นว่าง อันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อือันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคงเรจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรจะมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าไรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเก็บปวดอะไรอยู่อย่างนั้นการทําสมาธิมาถึงที่นี้เราจะออกจากสมาธิขนา ด, ไ, ดไม่ออกก็ได อยากสมาธินี้ไปออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอย่าง น, นี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่นเรียกว่าสมาธิที่สมควรมันเสร็จสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้ อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิจริีๆัสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิต ใ, ใจของเราจะมีความเยือเกเย็นไปตั้งหลายวันเมือเม่อเมืเ่อจิตเยือเกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรใจรับพิจารณาั้งอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไปนี่ว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี้มีหน้าที่ทำให้สงบ สมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างนึงศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างนึง่อาการที่เรากำหนดในที่นั้นนะ่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปารากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตงนี้มีปัญญาตรงนี้นะเมื่อคิดเราสงบแล้วนะมันจะมีการทั้งวอนทั้งรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิ เมื me, are, well, ่อทั้งรวมเข้าละเอียดข้าวนะมันจะเป็นกาลังนะอ่ามันจะเป็นทำกาลังช่วยสินให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากๆเมื่อสินบริสุทธิ์ขึ้นมามากๆแล้วกำลังช่วยสมาธิเกิดขึ้นมากดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแรงจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวยพดซึ่งกันในการต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามัดคือสินสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทํางานสมำเสมอกันแล้วนะ เป็นต้นจะต้องรักษากําลังอย่างนี้อันนี้เป็นกําลังที่จะเกิดนิปัสนาคือปัญญาถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบโก็มีกําลังแล้วเออให้ไม่สงบนีเป็นยึดมัน่นมันเลยสงบคนไปยึดมัน่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยทาระนะอันนี้ใจเรามันจะเบายงจะได้อารมณ์ที่ดีก็ได้ว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าสบายใจ มีความสงบ อ, อยู่อย่างนั้นนี่อีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมฐ า, านแล้ววันนี้เราหยุดทำกรรมฐ า, านแล้วอิตที่ไม่ฉลาตะวางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราใ้ความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเรา็รู้จากเราออกออกมาแล้ว วางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อกันเสมอไม่ใช่วา่าเราจะทำความสงมบเสียว้เรานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเราเดินอยู่แล้วก็ทำใจเราเ็นมั่นให้มีอารมณ์มั่นสมุนีสติสมปรัญญาอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี่แล้วโอเราได้ยินเสียงก า, างเห็นลูกเจะเดินไป นั่งรถไปก็าตามเธอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดเกี่าเปิดอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่า น, นี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้นจิตสงบเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาอารมณ์ เช่นว่ารูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาาพิจา ร, รณาเมื่อใดก็ได้เรานั่งสมาธิแต่เราอยู่บ้านก็ได้เราทํางานอยู่ก็ได้อะไรอะไรก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอแม้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลวงมาอย่างนี้เราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่างอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนอันนี้นะเหมือนกรเลาเหมือนกันแหละ เนเอมื่อมันแก่มาแล้วมันก็ร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเล่ า, ก, า, าโโนโนก็เหมือนกันอย่างนั้นคนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เรียกว่ายกขึ้นสู่ปัสนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการเดิการเดินการนั่งการนอนมีสติติดต่อกันเรื่อยเสมอๆ น, น, นี่เรียกว่าการฝึกกรรมาฐานที่ถูกต้องเราต้องสะบวดรอยติดตามอยู่เสมอ ที่เราทํากันอยู่วันนี้วันนี้หนึ่งทุมเนี่ยมาทําสมาธิกันอย่างนี้นั่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเราก็หยุดกันใจก็เลยหยุดได้ไหพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทานี้หยุดได้พิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกติดต่อกันเสมอได้ด้วย อ่ะาจารมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ำเหมือนหยดน้ําเราทำในจิตต่อกันเหมือนหยดน้ําเพราะว่าเรามีสติไม่สม่ําเสมอการวางทีเราไม่ได้ทำเลยการกระทานั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิดทำไม่ใช่ร่างกายที่ทำจิตเป็นคนทําจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องในนั่งสมาธิ เราจิตแล้วก็รู้สมาธิจิตเป็นคนทําการปฏิบัตินี้ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเราจะตามความรู้ในจิตของเราไว้สม่ําเสมอไม้เราจะยืนก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนกระจายความรู้สึกประมณีอยู่อย่างนั้นเหมือนน้าที่มันเป็นหยดหยดอย่างเนี้ยมันไม่จิตต่อกันถ้าเราทําสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นน้ำที่มันติดต่อกันเนี่ยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสายน้ำตลอดเวลามีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่าเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อถูกเกิดขึ้นมารูกทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารูกทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่าเสมอนี่อย่อยู่ที่ไหนก็ดีว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ ถ้าทําจิตอย่างนี้เนี่ยการทําภาวนานี่ย เ, เ, เร็วเร็วมากดีมากคือเร็วอย่าไปติดกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีอะไปทํามีปรัชนากรรมฐานกันเข้าถางวันตรงนี้เจ็ดวันก็ ม, กมีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันนี้สิบวันก็มีที่ห้าวันก็มีแล้วก็ออกมานะ เราออกมาแล้วก็นึกว่าเราเลยไปทํำมีโฆสนาแล้วมีแลออกมาก็ไปเต้นลําทำทิ้งเหมือนสรุปสนามยังหมดแล้วเนี่ยทําอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรซะแล้วเนี่ยไปทําความชั่วต่างๆทํากิตที่เราเอกระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้นามาอีกไปทําสรมถานอีกเก็บวันคิดห้าวันเดือนหนึ่งพอเสร็จเดีก็ออไปอีกแล้ว ไปเต้นลำอีกแล้วไปลอกเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปท า, านนะเนี่ยเป็นปฏิปท า, านะั่นะนั้นเดีต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มชุราเห็นโทษในการเข้าบาเห็นโทษในการทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้มันจึงถอนตัวออกมาได้ความสงบมันจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะ อันนี้เดี๋ยวเราทําที่ถูกต้องที่เราทำในเียรติวันเข้าไปสามวันไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่พูดเกียวันมาพูดอยู่แต่เกียรเดือนมาล้อมอยู่แต่เกียรเดือนไม่พูดเกียวันเท่านั้นเนี่ยมันจะพุ่งกันไงล่าครับนี่ขอให้ทายกไยิกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทํำให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นในมันติดต่อกันเสมอดิ้นดิ้นแต่นั้นเนี่ย กิเลสมันก็จะหมดได้อย่างนั้นเในเจ็ดวันไม่คูดเลยไม่เล่ น, นอยอีกสีห้าเรือนเล่นเล่นตรงนั้นไม่สังวรสังงมงก็หมดเทอนนั้นไม่มีเหลือขณะเราไอห้หาเงินน่ะหาเงินวันนี้ได้สากปอนดต้องมาซื้อกินหมดห้าปอนวันนี้จะมีเงินที่ไหนก็หมดตอนนั้น นี่ก็มันกันแค่นั้นอันนี้เตือนน่ะขอโทษเลยนะขอโทษด้วยนะฮะจงพูดไปอย่างนั้นจะมาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นในี่ยชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทำกันนี่ก็เดียมาทําเพื่อจะมให้ไปทำความผิดอีกต่อไปทำความผิดทำไมความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอ่หถ้าหากว่าทำเจ็ดวันไม่พูดกันเนี่ย จะเล่นกันเดือนสองเดือนสั้นเล่นกันเั่าไห่ในจะถึงเจ็ดวันมันจะคุ่มอะไรเมื่อไหร่นะนี่ก็ทําไปองนั้นเนี่ยนี่กรรมฐ า, านหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แล้วจะมีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับด้วยติตจอ่อกันไปเรอยๆอย่างนั้นไม่ว่าจะกรรมฐ า, านเนะี่ยไม่ว่าจะกรรมฐ า, านมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอาทีเอามาปลูกลงวันนี้ใดสามวันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีก ปลกตรงนั่นในสารมันท้อนอีกไปปลูกตงนั่นนี่ตายเลยไม่ได้กินเนะ่ะต้นไม้ก็ตายก็มาฐานพอหมดเหมือนกันอย่างนั้นกระจลยนะอย่างนั้นนะออไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยถ้าต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสารมันท้อนออกไปปลูกตรงนั้นในสารมันท้อนอีกปกลูกเนะ้ยไม่ได้กินแตะตายหมดไม่มีเหลือแล้ว กรรมฐานผมเหมือนกันไปนั่งกรรมฐานเจ็ดวันออกมาเดินอยู่เจ็ดเดือนปล่อยจิตไปทําสุขภูมิมดเรองกับเจ็ดวันก็มาทํากรรมฐานไม่พูด <c oughs> เรืเอเ่องกับเรื่องอีกมันก็ต้นไม้ไงตายมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานไม่เกิดนะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่สามวันถอนไปปลูกตรงนั้น ปลูกสักนั่นสามวันถอนไปปลูกทุกที่ตายไม่มีเหลือเลยไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะเหมือนนี่ว่าจนไมนมเมืองนี้่จนไมมเมืองไทยแลนด์ตายไปหมดไม่มีเหลือเลยการทำยังไงต้องมาฐานคุณมันกันเนี่ย อ, อเราไปทําสักเก็ดวันเราปล่อยให้มันไปเล่นสงคสรามโซซโตอยู่เจ็ดเดือนี่ยมันเต็มทีซะแนลนะนะ้วออเราคิดได้อีกไปเข้ากรรมฐ า, านอีกเยอะ นั่นนี่ก็มาเข้าสรรมฐ า, านดีกขไม่พูดทัำอะไรนี่ข้อแผลมันจะหายออกไปอีกแล้วไปเล่นอีกหกเดือนเกียรเดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้ยาตมาว่าทำไม่ได้ผลนะลองดูกันนะกลับไปนี่เอาตนา้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สะกสามวันนั่นที่ไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอาตมาเห็นว่าตายลองดูก็ได้นะสนใจไหมล่ะ นั่นต่มาไม่เคยอยากจะมาเทศน์เทศน์จะมาถอดไม่ได้มันสงสารโยมโยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนคนมันก็สบายใจหนึ่งว่าไปว่าให้เขาให้คนเป็นจริงเลยว่าแล้วที่ไหนมันผิดก็ช่วยให้รู้จักนะเน่ยแต่คนบางคนคิดหถึงว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้วเงี่ยไม่ได้อย่างนั้นแตมาทุกนานนานมาเทศทีหนึ่ง นะเทศทุกวันทุกวันโยมจะเดือดร้อนมัมนะไม่ใช่โดยโยมเดืร้อนกิเลสมันเดือดร้อนเท่นั้นนี่วันนี้แต่อลอว น, นี้พูดทั้งนี้หน่ย น, นะดูสเสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงุกการฟังธรรมในความสมุกนั้น คือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปใรรนนี้อย่ทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมท่านยังให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาล นั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้กระสรู้ธรรมะในอัศนระที่นั่งนั้นพ็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำในกรรมฐานที่นี่มากที่อัตมาที่มาพักอยู่นี้คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมาก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 ทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไร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 การพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออาภาัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันบังคนในอย่างบางทีมันอาจติดไม่ค่อยสบายใจกันนะพูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันตื่นเต้นยังไงมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่ลุกขึ้นมาฟัางธรรมจิตใจเนี่ย การปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาท่ากิ่งมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทาน อ, อีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมาเล็ดมันมาเพาะเดี๋ยปลูกจากเมล็ดมันเลย อันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากจ้างความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่ดูจักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไป น, นั่งทำกรรมฐานนั้นลาบากมากจนร้องให้ทั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไป บางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่ง ม, มากคือต่างคนตา่ตางฝึกมาต่างคนต่าง ม, มีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มรารวมธรรมนี่เกิด ค, ความสงสัยมาก แลอาาอ้อาจารย์นั้นต้องทําอย่างนั้นอาจารย์นี้ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นนี่มานั่งเตี้ยแต่มนเร่งวุ่นไม่รู้จักวจะเอาไงอืไม่รู้จักเนื้อจา ก, กตัวอะไรมันเลยวุ่นมันลายเกิดปมากเกิดปไม่รู้ว่ายาวอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาฉพราะนั้นพวกเราอย่าคิดที่มันมากคิดที่มันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบสะกด ที่มันรู้ไม่ต้องคิดแต่ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะอืะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคิดอะไร ย, ยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเิดคิดมามากแล้วไม่ใช่อ่ะมันพ้นจากเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคิดมากมากแปลว่ยิ่งน้าตามไหลด้วย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 แนวปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งนะเช่นว่านั่งสมบจิตนีเบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้ทำจิตอันนี้อย่างนียย อันหนั้นปลอยจิตของเร า, าให้มันพุ่งไปทางขวาทางซ้ายขางหน้าทางหลังทางบนขางล่า ง, ง, ง, างจะทําอะไรจะทำวันนี้จะทําจิตคืออนาบาสติเนี่ยกาหนดศีรษะลงไปไปหาปลายเท้ากาหนดจะปลายเท้ า, ทาลงมาขึ้นมาหาศีรษะกําหนดที่ศีรษะลงไป ด, ด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเนหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อน แนวนั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสัน้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางในในช้วยลมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่า การก็ะทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าสบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าทุกคราหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยแต่ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมา พอไหวหยุดหยุดไม่เมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างมีความคิดชนีดมันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีไหมทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได้ไปจนรู้สึกในจิตของเราดันปล่อยมันมันจะดีจะชั่ววันชั่มันในเวลานั้นใ่ยุทธะนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลๆเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อน แล้วกำหนดลมเราดึ้อให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอย่าให้มันทุกข์าให้มันทุกข์ดูลมหา้ใจอยากให้มีความกดดันคืออยากให้ยึดมั่นคือให้รู้เดกให้ปล่อยตามสภาวะประมาณอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวาง ลมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไป น, น้อยไปน้อยไปจนกว่ากา ร, ระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่เกี่วในเวลานั้นก่อนจิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นเนียกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้ว นี้พูดเรองการกระทำในเวลาเรารนั่งสมาธิอย่างเร็วหนานี่พูดตรงนี้ถ้าว่าจิตใจมันพูดวายมากนะก็ตั้งสติพื้นซึมลบเข้าไปมันมากตัวนี้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยให้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกส่วนที่มันเต็ม้วก็ปล่อยไปสามกั้งตั้งจิต มาใ ม, มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ทําทอย่างนี้ทุกครั้งจเดินจงกรมก็ตามจะนั่นสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันพูดวายมากก็หยุดยิ่งกําหนดหตรงในที่สนุกตั้งใหม่แห่รู้จิตของเจ้าของได้ไปเดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันตา่างแค่พิยาบุนั่งกับพิยาบุตเดินเท่านั้น บางที่จะสงสัยก็มีมากต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติป็่มันวุ่นวายขนาอย่างไอ้ความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นสมมติว่ามันเป็นจิตใช่ไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ ไอู้้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานอยู่ในลักษณะอันไรก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมต่อทุกกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันลอยที่สงสบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่ง ที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรวงนั้นแห่มันอยู่ในกรวงมันเดียวกายที่อยู่ในกรวงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกลงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรวงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรวงไอความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมี่ความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้หาุาวุ่นวาย พึ่แม่มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไราบางคนกันเมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันเป็นความรู้สึกอะไรายอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ลาพานมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากลมไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ ดึงไปลงให้ใหญ น, นุไปเที่ยวในบ้า น, นาไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวน้นสารพัดอย่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ่ะไรตามไม่ไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญระวังดีตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากตรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องมีสติเมารู่อะไรตรพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอก ไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนเน่ยคือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองไอ้มันอยู่ที่นี้มันก็มีอยู่ที่นี้มีสติที่นี่อะไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมิติจิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีคุณวิสติคลุบขึ้มาเลยรมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิต จิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับรมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลานะในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่ อ, อไรมีรวมล้วก็มีจิตมีรวมมีความรู้สึกสม่ำเสมอมีเพียเดียวอันนั้นจะอยู่กับเราแหลย อันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันรื่นได้สัมปชัญญะรูปตัวอยู่เดี่ยวนี้รูปตัวกับอักับลมอย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารูปตัวอยู่อย่างเงี้ยเล็กอะมันจะเป็นคล้ายๆกับไอทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันห น, นักอยู่สองคนเนี่ยนะจยจะทนไม่ไหวอ ย, อย่างเงี้ย เดียจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นหรือปัญญากรพิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้จะมีสติมีสัพพัญญารู้อยู่แล้วก่าปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัพพัญญามีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จากอารมณ์เช่นมานั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมพชัญญาแล้วมีปัญญาอารมณ์ขานเข้มาเกิดความรู้สึก ในวันนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ใช่ปล่อยเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนอ่นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันตรงนั้นไม่เอายังมายุ่งเลยไม่แน่นอนเขาไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไม่แน่ไม่แน่ อาจารย์ฉั้นสอนมันไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช Stupid. ่เลิกในเวลาที walk, ่อาจารย์นั COVID ่นไอ้พวกเซียนบอกอย่างนี <S waren> ้อย่างนี้ไม่จัดยาปุ๊บปุ๊เลิกเลิิหมดหมดทุกอาญาอย่าเามาทวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเดือแต่สติสัติกันยังกับปัญญาถ้าว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่สอนอย่างอาจารย์นั่งสอนอย่างนี้เาที่นั้นเลิกเลิก ให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นปัญญาไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะเห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญา เห็นครบในที่นั่นเด้ออ้ <c oughs> แต่ที่มันจอนมาข้างนอกในบางอารมณ์นั่นเองเราการไว ม, มันจะเราจะชอบใจก็ตามเว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นอีวอนทั้นั้นท่านน่ะสิ่งท้งไหนกลัวแล้มันเปลี่ยนมให้เรืองเดสสติคือความระลึกได้สมปัญญัยความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พุทธการกระทําแล้วจบแค่นี้พอนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยพี่จะต้องทําอย่างนี้นะั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอภาริที่เียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคนรัธรรมคิดว่าเรากําจัดตัวรูปะ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 ขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนคิดเดียวคิดอีก น, นะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาดู เ, เล็กๆให้จะเอาดูใหญให้คนไม่ใช่ดายนะคุณคิณคดยากลำ บ, บากนะเอาไปเอาไปก็เรี๋ยววันนี้ให้ถูกเล็กให้เปิดเพื่อนดูใหน้อ ย, อยนะเอารูปใหญ่แบบนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ควรจะเห็น เคยมีคยมีไหมนี่การทรมาจนจิตนะอมันอยากให้เขาลูกเล็กมุสาบับางคับเขาลูกใหญ่เพื่อนให้ลาหาใหละะเลี้ยงผัวหายเพื่อให้อลไรไปเรื่อยสบายนะนีะนก่การทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละที่เราเอาให้คนอื่นจะนก็สบายเราที่เรายังไม่ให้จะให้ดูไหนเนอะอะไรมัน จัดตัดสินมาหนให้รูกใหญ่นี้เขาไเขาใจใจไปนิดหน่นะเนี่ยเคตกลงให้เขาแล้ว่านี้มีเดียวว่าทรมานกินในทางที่ถูกๆๆนี่ไรมาจากไหนนี่ไรมาจากอัตมาเีงนี่เป็นอยู่นี้ถ้าเราทำเราเนี่ยเดียวเราจ้นักงตัวหินถ้าเราทำไม่ได้มเนี่ยเดียวเราแพ้ตัวเเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปคันนี้ก็เป็นหินเหมือนกันมีไหมในใจมีอย่างนั้นไหนี่ อันหนึ่งเป็นใต้เหตุเยี่ยงว่าถ้าเราปล่อยเ น, นี่ยเรามีความคิดแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจตเดียดอันหนึ่งเหมือนกันทางพระธรรการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยช่วยให้สำระความสุขกระบกในใจของเราได้แก่ตอนเป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ย ให้พิจาราอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเราไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองนี่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสจังหากว่าทาให้ตัวมันดีเป็นมาให้จิเมันหายไปบางคนจะก็อย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสเหมืนแมว ถ้าอยากินตามใจใมันเนี่ยก็ยิบมาร้วยกินเองด้วยิบด้านหนึ่งมันควรนะไปตรงในอาหารนั่นเถอะทำให้กินเอกลัวเราอยากทําใ ห, ทให้เรากัวกินเองนี่พูดจะเห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนีก้ก็รู้อะไรตกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตาราดึกๆไปตรงประเด็ดเนยนิ่ง ม, มาก พิจาเรเดียวนี้ก็เห็นที่อาจะมาพูดกับกิเทุกคนเพราะมันมีในใจคนมันมีกิเลสทุกคนแต่ถ้ารู้มันได้เดียวนี้ก็รู้จักมันเพรามีกิเลสทุกคนนะอย่างนี้นี่เราต้องการในเรียนกิเลสไว้ในรู้จักกิเรสใหญ่มันมาควรเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยังไม่มาเกิดจะเกขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วสี น, นี้จยางดูแลธรรมะนนั้นให้เกิดขึ้นเหมือนพ่อแม่คับพูดมันน่าพูดไน้อยนะพูดมากมันทำ ม, มาก หนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดไม่ให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์อย่าไปข้ามสิตของการเด่งกันพูดง่ายคือไมให้ขโมลของกันเองจริงที่สามตัวกามเมคือให้รู้จักประมาณ ยังนั้นอยู่ในคราวญาแต่ต้งนี้ครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านใหรู้จักประมาณปฏิบัติธรรมากก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทําให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณที่มีขอบเขตแต่โดยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะ บางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวเขาไม่พอมีสองเลยบางทีแม่แม่ว้านคนเดียวก็าไม่พอ อ, พอีกมีสามเรื่องแบบนี้อาจจะมาว่าคนเดียวเขกินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวเขาไม่หมดเนี่ยมีแม่ว่านคนเดียวไม่หมดแล้วเอาเลยจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสุขบุตรทั้งนั้นเลงอย่างนี้ต้องพยาำำพยามชําระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดี ที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงไม่อาหาราเผด็จอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความเด็อร่อยมันมากให้รู้จักท่องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากนี่เนลำบากเหกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากคือส่วนนี้อให้มีแม่บ้านคนเดียวกพอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวพอแล้วมีสองมีสาม เกินขอเกเขบแล้วบุ่นวายดูไ็ได้อย่างนี้ให้ความซื่อสัตว์สุดจจดีนี้ก็เป็นเครื่องอกำจัดกิเลสเราผุนกันเป็นคนตรงมีสื่อสัตว์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราหน้าเมางนี้มันก็คู้จะประมาณมให้เรื่อมันจะดี มันเมาในครอบในครัวเราถูกไหมแ้เมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัดหลายอย่างมันก็พอเลยยิงเอาเหล้ามากินทวีมันก็มืด่า น, นแรงอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทำลายในดูดูตัวเราเองข้าหาว่ามันมากใครมีมากก็ยังเป็นคอยปัดเขานป่นะเป็นปอดอ๊เดี๋ยวเขาจะไดนดะ่านะพูดถึงความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จัก มันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันกดดันของเราทําดีมันก็ได้ดีทำชั่วงันกไดชั่วอันนี้เป็นเหตอันนี้ขอฝากไปตัวเรนนี่ตัวเดียวกัน <laughs> ไม่อยากไม่อยากจะพูดหรอกแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด I don't want to say anything but the Buddha told me to <laughs> อันนี้เป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์หนึ่งที่เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ออดีแล้วมีความรักซึ่งตัมีวม ค, ค, ความสุขความเร่าร้อนไม่มีและเมื่อความร่าร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในความสุขในสังขารนี่คืออยู่ในมือสวรรค์แล้วสบาย กินกสบายนอนกสบายสบายนั้เนเี่ยก็สุขสุขเกิดจากศีล ท, ที่การกระทํามาแล้วเพราะทําอย่างนี้เป็นเหตุนแห่งนี้เกิดขึ้นมาระกคมชั่วเช่นนี้เป็บปวดอันหนึ่งเพื่อความดีนี้เกิดขึด้นมาดีถ้าเราชําระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นติดอะไร เกิดพรการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี้ยังไปจบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเถิ่กันนะชอบเลยไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นและไม่อยากจะไปที่ไหนแหล้วชอบสุขมันเป็นสักกะขาเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุปรลธีฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทว บ, บุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาสบาย ไม่รู้เมื่อรู้รัูว่าอย่างนี้อันนี้ทานตแพิจนาอีกคือหนึ่งอันนี้มืสอนอย่าไปรื้อมันให้พิจนาอีกให้พิจนาโทษของความสุขอีกให้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกัน ม, มีความสุขแล้วเมื่ อ, อไรเมื่อไรไอ้ความสุขจะเริ่มจากเรานี่เป็นขางไม่แน่เหมือนกัน เมื่อความสุขเกิดเลือกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ก แ, แน่นั่งเทีวราหให้เราเที่ยวร้องไห้ถึงทุกข์แล้วท่านจึงได้พิจารณาโทษของมันโทษของมั น, โ ท, มนโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไม่รู้จักมันมืดระการหนึ่งมีความสุขความสุขมันปิดไม่เห็นทุกข์เกิด ทีไอความสุกนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิจดตอันหนึ่งเป็นกิจิตอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหล ะ, ะเมื่อหากเวลาวันที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเช่นไรกินจนาทับเข้าไปอีกทีว่าสุกนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันให้โทษความความสุก เม่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์เกิดนี่คือของไม่แน่นอนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่อันที่นอกขากาศนี้มีครบสุขหรือไม่ก็ครบสุขอีกที่หนึ่งอย่างลอยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็เห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่ขอไปเจับอย่างเดียวที่เรา ไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูหรือหวังไม่ใช่ยึดไม่หว่าอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณในความสุขที่เราเห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขกับที่นะสุขไปดีเป็นสัจธรรมแล้วเห็นโทษของความสุขที่ อันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นขามอันนี้ก็ยำไยอันเมื่อเข้ามากระถาแลยมันจิตใจมันต่อขอเบืออะไรเบือรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นความนั้นความเกียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม่ไม่อยากไปยึดมั่นหรือมั่นแรงออกจากอุปทานนั้น มาอยู่ในตรงนี้ให้สบายมองมืเอเฉยๆให้ก้องไปยึดมั่นถึงมั่นนั่นก็ถือความสงบของการปฏิบัติในใจนั่นวันนี้ก็เหมือนโยมของการรู้จักปีเตอร์ น, นาก็ให้ให้อภัรเลยนะวันนี้พูดมากเลยได้แต่วันนี้นะพูดมากเพราะว่ารักโดยธรรมะ